วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามสิบพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง2ห้า้กสิบสองเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้ ความรู้จากพระพุทธศาสนามาเรียนรู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมอะไรเป็นทรัพย์จริงอะไรเป็นทรัพย์ปลอมอะไรเป็นที่พึ่งจริงอะไรเป็นที่พึ่งปลอมอะไร เป็นความสุขจริงอะไรเป็นความสุขปลอมถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของปลอมทั้งนั้น ไม่มีอะไรเป็นของจริงเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ก็เป็นทรัพย์ปลอมที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งปลอมความสุขก็ขเป็นความสุขปลอมแล้วของจริงอยู่ที่ไหนมีหรือไม่ของจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอยู่ในใจของพวกเรา ทรยบจริงอยู่ในใจของพวกเราที่พึ่งจริงอยู่ในใจของพวกเราความสุขจริงอยู่ที่ในใจของพวกเราทำไมเราจึงเรียกว่าเป็นของจริงกับของปลอมก็คือของปลอมนี้เป็นของที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนั่นเอง รับสมบัติเก้าของเงินทองที่เรามีอยู่ที่เราเพึ่งอาศัยที่ให้ความสุขกับเราพอร่างกายเราตายไปแล้วเราเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ต้องสละเงินทั้งหมดให้ผู้อื่นไป ไปไม่ได้เอาทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นทรัพย์ปลอมสิ่งต่างๆที่เราเพิ่งก็เอาไปไม่ได้ความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็เอาไปไม่ได้จึงเรียกว่าเป็น ของปลอมทั้งสิ้นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เราคือใครเราคือใจผู้รู้ผู้คิด สิ่งที่เราจะเอาไปได้คือสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราในใจของพวกเรานี่เราสามารถบรรจุทรัพย์ที่แท้จริงได้บรรจุที่พึ่งที่แท้จริงได้บรรจุความสุขที่แท้จริงได้เนี่ละคือเรียกว่าทรัพย์ภายในที่พึ่งภายใน ความสุขภายในใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบความความจริงที่มีอยู่ในภายในใจของพวกเราทุกคนแล้วจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราได้รู้จักของจริงของตลอมจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังในภายหลัง คิดดูถ้าเราไปซื้อของปลอมมาแ ล, แล้วเรามารู้ทีหลังเราจะรู้สึกยังไงได้นาฬิกาปลอมได้เพชรปลอมรู้สึกเจ็บใจไถูกหลอกหอ่ไปซื้อของปลอมของเกมมาที่เขาหลอกเราว่าเป็นของจริงนี่แหละคือสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ที่พวกเรา หลงไหลายกันอยากได้กันอยากมีกันนี่ล้วนเป็นของปลอมทั้งนั้นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็เป็นของปลอมตําแหน่งยศต่างๆก็เป็นของปลอมมีใครเอาไปได้บ้างของพวกนี้ตายไปแล้วก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดจึงเรียกว่าเป็นของปลอม ของจริงนี้อยู่ภายในใจรั์นี้รั์ภายในที่พึ่งภายในความสุขภายในเป็นของที่เราเอาติดตัวไปได้เป็นของที่เราสร้างขึ้นมาได้หามาได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่รั์ที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้อยู่ในใจของพวกเรา ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้มีหลายชนิดเหมือนกับเพชรเรนจินดาอั ญ, ญมณีต่างๆมีหลายชนิดด้วยกันมีทั้งเพชรมีทั้งพลอยมีทั้งไขมุกมีทั้งอะไรต่างๆซึ่งมีคุณค่าราคาต่างกันไปฉันใดซับภายในก็เป็นเหมือนอั ญ, ญมณี ที่มีอยู่หลายประเภทด้วยกันมีตั้งแต่ขั้นถูกไปจนถึงขั้นแพงที่สุดที่เราสามารถที่จะเลือกซื้อกันได้เงินที่เราจะต้องใช้ซื้อทรัพย์ภายในนี้ก็คือบุญกุศลต่างๆนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา มาสร้างกันมาสร้างบุญสร้างกุศลพอเรามีบุญมีกุศลเราก็จะซื้อทรัพย์ภายในได้ทรัพย์ภายในอันดับที่หนึ่งนี้เรียกว่ามนุษย์รยะทรัพย์คือความเป็นมนุษย์ทรัพย์ภายในระดับที่สองเรียกว่าเทวทรัพย์ทรัพย์ ภายในระดับที่สามเรียกว่าพรหมรัพและรัพภายในระดับที่สี่เรียกว่าอริยสัพ์นี่แหละคือสัพที่แท้จริงที่จะเป็นของเราที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ต้องตายไป เราจะไม่ได้ไปแบบมือเปล่า เ, าเราจะไปแบบผู้มีทรัพย์ติดตัวไปจะไม่ต้องไปเป็นขอทานพวกที่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลนี่เหละจะเป็นผู้ที่ไปแบบขอทานไปแบบผู้ที่มีโทษไปแบบผู้ที่ถูกจับไปติดคุกติดตารางแต่ผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศล ชนิดต่างๆจะเป็นผู้ไปแบบเศรษฐีดังนั้นขอให้เราขอให้เรามาเรียนรู้วิธีสร้างทรัพย์ต่างๆภายในใจของพวกเรากัน อันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันว่าเป็นของแท้ของจริงเหมือนเวลาที่เราไปซื้อเพชรแทร้เพชรจริงนี่เขาจะมีใบประกันมาให้ว่าเพชรที่ขายนี้เป็นเพชรแทร้เพชรจริงถ้าเป็นของปลอมสามารถเอามาเปลี่ยนเอามาคืนได้รับประกันฉันได ทรัพย์ที่แท้จริงที่เพื่งนที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนี้พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนขายของเป็นคนที่ไปนค้นพบของจริงเหล่านี้เหมือนกับพ่อค้าเพชรพ่อค้าพลอยที่ไปขุดพบเพชรพลอยต่างๆแล้วก็นำเอามาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆทำเป็นแหวนทำเป็นตุ้มหู ทำเป็นสร้อยคอทำเป็นอะไรต่างๆที่สวยงามที่เห็นแล้วน่าปาทนาที่อยากจะได้มาเป็นสมบัติแล้เวลาซื้อจากผู้ขายเขาก็จะออกใบรับประกันให้ถ้าคิดว่าเป็นเพชร เป็นของตอมแล้วไปพิสูจน์ว่าเป็นของตอมก็เอามาคืนได้พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันทรัพย์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบตั้งแต่มนุษยส์สยับขึ้นไปสู่อริยทรัพย์นี้พระองค์ทรงเป็นผู้รับประกันว่าเป็นเป็นสมบัติแท้เป็นอนัญมณีแท้ ที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราต้องอาศัยทรัพย์ภายในนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราเราจึงเรียกว่าทรัพย์ภายในนี้เป็นที่พึ่งแท้ที่จะให้ความสุขกับเราเราจึงเรียกว่าความสุขภายในนี้เป็นความสุขแท้ พะเราเอาไปได้ถ้าเรามีทรัพย์ภายในเราก็จะมีที่พึ่งภายในมีความสุขภายในติดตัวไปกับเราถ้าเรามีมนุษย์ทรัพย์เราก็จะมีได้เป็นมนุษย์เป็นที่พึ่งได้มีความสุขของมนุษย์วิธีที่ จะทำให้เรามีทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรานี้ได้มีทรัพย์ภายในกันถ้าอยากจะมได้มนุษย์ยทรัพย์ต้องทำอย่างไรเจ้ามวาทรงตรัสว่าต้องรักษาศีลห้า ละละเว้นอบายมุกต่างๆคือไม่กระทำบาปทั้งปวงอันนี้เป็นคำสอนข้อแรกในคำสอนสามข้อดดวยกันที่พระพุทธเจ้าจะสอนสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามถ้ามาได้ค้นพบทรัพย์ต่างๆแล้ว พระ อ, องค์ก็จะมาบอกวิธีให้เราได้มีทรัพย์ต่างๆขึ้นมามีสามข้อข้อแรกก็คือให้เราละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ตั้งแต่ในอดีตอันยาวนานมาและในอนาคตที่ยาวไกลที่จะมาถึงต่อไป จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุกันเป็นพเป็นยุคยุคเป็นช่วงช่วงและทุกๆุกพระองค์นี้ก็จะสอนเหมือนกันหมดเหมือนกับผู้ที่ขายเพชรลินจินดา mm hmm. เขาก็จะมาสอน mm hmm. เขาก็จะมาขายของเหล่านี้ด้วยราคาต่างๆเพชรก็ราคาหนึ่งพลอยก็ราคาหนึ่งยกก็ราคาหนึ่งมุกก็ราคาหนึ่ง ของเหล่านี้เขามีคุณค่าราคาต่างกันเช่นเดียวกับทรัพย์ภายในก็มีคุณค่าราคาต่างกันทรัพย์ภายในระดับถูกระดับต่ำที่สุดก็คือมนุษย์ศัพย์ถ้าเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆคือถ้าตายไปขอให้ยาได้ต้องไปเกิดในอบายเลย เพราะว่าที่ต่ํากว่ามนุษย์ก็มีที่ต่ํากว่ามนุษย์เราไม่เรียกว่าทรัพย์เราเรียกว่าโทษเราเรียกว่านี่ผู้ที่ไปเกิดต่ํากว่ามนุษย์นี้เหมือนเป็นผู้ที่ติดหนี้สินผู้ที่จะต้องไปรับโทษไปรับทุกข์ไปติดคุกติดตารางหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปเป็นขอทาน ทำไมพวกเราเวลาทำบุญพวกเราจึงมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกันนั่นแหละเพราะว่าเรามีขอทานมารอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเรานั่นเองคือผู้ที่ล่วงรับไปแล้วที่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่รักษามนุษย์ยาทร ด้วยการไม่ทำบาปทั้งปวงเพราะมีความหลงคือไม่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นของจริงไม่เชื่อว่าเรื่องรับไปในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องจิตใจเรื่องดวงวิญญาณนี้มีจริงเรื่องของการทำบาปทำให้ไปเกิดในอบายนี้มีจริงไม่เชื่อ ก็เลยก็้าทำบาปกันพอทำบาปแล้วพอตายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นดวงวิญญาณหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆถ้าทำบาปไม่รักษาศีลเพราะไม่รู้ว่าบาปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เวลาไปเกิดใหม่ถ้าไม่ทำบาปเลยเวลาตายไปจะได้ร่างกายมนุษย์ไม่ต้องไปดับร่างกายของสัตว์ในราฉานก่อนหรือถ้าเป็นดวงวิญญาณถ้าทำบาปก็จะต้องเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเพราะทำบาปด้วยความโลภความอยากความหิวก็จะมีแต่ความหิวโหวย นี่เรียกว่าพวกขอทานดวงวิญญาณของพวกขอทานเป็นพวกที่หิวโหยเลยต้องมาคอยรอรับส่วนบุญเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีพวกนี้รออยู่รอบๆเรารอให้เราได้กวดน้ำอุทิศส่วนบุญกันตอนนี้ก่อนจะรับส่วนบุญก็ให้มาฟังเทศฟังธรรมก่อนเผื่อชาติหน้ามาเกิดใหม่ จะได้รู้ว่าบุญบาปมีจริงจะได้ไม่กล้าทำบาปเราจะได้ทำแต่บุญ้วเวลาตายไปจะได้ไม่ต้องมาเป็นขอทานมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ถ้าไม่ใช่เป็นความจริงพวกเราจะทำอวดกวดน้าอวทิดบุญกันทำไม เพราะมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆส์ทุกพระองค์สอนให้พวกเราทำกันให้เราแบ่งบุญที่เราได้กันในวันนี้ให้กับผู้ที่เขาไม่สามารถสร้างบุญได้แล้วแต่ตอนนี้บุญนี้เราจะสร้างได้ในขณะที่เรามีร่างกายเท่านั้นถ้าไม่มีร่างกายแล้วสร้างบุญไม่ได้ ทำบุญทำทานไม่ได้ก็ต้องอาศัยบุญที่ของผู้ที่มีร่างกายแบ่งไปเราจึงมีการแบ่งอุศลส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเผื่อเวลาเผื่อเขาไม่มีบุญเขาก็จะได้มารับส่วนบุญจากเราได้วิธีที่จะทาให้เขารับส่วนบุญจากเราได้เราต้องระลึกถึงเขาด้วย เช่นขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ให้กับคุณพ่อให้กับคุณแม่ให้กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือให้กับเพื่อนหรือลูกหลานหรือใครที่เรารักเราเป็นห่วงเป็นใยเราต้องเราลึกถึงตัวเขาไม่จําเป็นจะต้องเราลึกถึงชื่อก็ได้ขอให้รู้ว่าเป็นเขาก็แล้ว ก, กัน แล้วก็เขาจะได้มีสิทธิ์รับไปได้เหมือนกับเวลาที่เราเขียนเช็คนี้เราต้องเขียนชื่อของคนรับไหมถ้าเขียนชื่อของคนอื่นคนที่อยากจะได้ก็ไม่สามารถรับไปได้ต้องเขียนชื่อหรือเขียนเงินสดถ้าเงินสดนี้ใครก็รับไปได้ล้วอาจจะไม่ กำหนดเจาะจงก็ได้ถ้าเราคิดว่าไม่มีญาติพี่น้องที่จะต้องมารับนอรับส่วนบุญเราก็เขียนเป็นเงินเสร็ดไปก็คืออุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความต้องการที่จะรับผลบุญส่วนนี้ก็ขอเชิญมารับไปได้นะอันนี้ เวลากลวด น, นั้นเวลาอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ำกรวดน้ํานี้เป็นตัวอย่างของบุญเพราะบุญเป็นนามธรรมาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เห็นได้ด้วยใจคืออะไรก็คือความรู้สึกในใจเรานี่แหละเวลาเราทําบุญเราจะมีความสุขใจอิ่มใจ นี่แหละคือตัวบุญที่เราจะอุทิศไปแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถเข้าใจถึงบุญนี้ได้ว่าเป็นความสุขใจอิ่มใจก็เลยต้องให้ใช้น้ำเป็นตัวอย่างน้ำก็จะมีภาชนะรองรับน้ำภาชนะหนึ่งก็ใส่น้ำคือใส่บุญคือใจของเรา ภาชนะที่รองรับน้ําก็คือใจของผู้ล่วงวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วผู้ที่จะมารับส่วนบุญของเราไปอาพอเราเทน้ําเราก็ระลึกภายในใจไปว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ให้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เอก็ถือว่าได้อุทิศอย่างเรียบร้อยแล้วอ มีน้ำก็ได้ไม่มีน้ำก็ได้น้ำเป็นเพียงตัวอย่างให้เราเห็นว่าบุญจากใจหนึ่งไปสู่ดวงวิญญาณอีกดวงวิญญาณหนึ่งนะแล้วก็ไม่ต้องมีพระมาสวดยะถาสัพพีให้พ อ, อันนี้เป็นคนละเรื่องกันาการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องมีพระมาอุตมาสวดให้กับเราพระไม่เกี่ยว พระเพียงแต่มาสแสดงความยินดีมาอนุโมทนาการกระทาบุญของเราและมาให้มาบอกความจริงว่าการทำบุญนี่แหละที่จะนำพาชีวิตจิตใจของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญอันนี้คือเรื่องของพระหน้าที่ของพระมีหน้าที่บอกเหตุบอกผล ของการทำบุญและแสดงความชื่นชมยินดีสนับสนุนเชื้อเชิญให้ทำมากๆทำบ่อยๆนี่คือการอุทิศบุญให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วเพราะว่าขณะที่เป็นมนุษย์นี้ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญก็เลยทำบาป เมื่อเกิดอารมณ์ที่อยากจะได้อะไรขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะได้มาโดยวิธีไม่ทำบาปก็จะใช้วิธีทำบาปเป็นวิธีหาสิ่งที่อยากได้มามก็เลยสะสมบาปคือความทุกข์ใจความหิวใจหรือความเครียดแค้นใจหรือความหวาดกลัวเนี่ย อันนี้คนทำบาปนี้มีสู่สี่วิธีด้วยกันทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปก็เป็นเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภด้วยความหิวก็เป็นเปรตเป็นขอทานทำบาปด้วยความหวาดตัวก็เป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ก็เป็นนรกนี่แหละที่ทำไมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงต้องมาสอนพวกเราให้ละเว้นการกระทาบาปทั้งปวงเพื่อที่เราจะได้รักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ของเราไว้นั่นเองเพื่อเวลาเราตายไปเราก็จะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปรับโทษไม่ต้องไปเป็นขอทาน ถ้าเราไม่ได้ทำบาปนี่คือวิธีสร้างทรัพย์ขั้นที่หนึ่งก็มนุษยทรัพย์ให้สร้างหรือรักษาตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันแล้วถ้าเรายังอยากจะเป็นมนุษย์ต่อไปเราต้องอย่าทำบาปทำบาปแล้วเราจะลดฐานะของเราลงทันทีถ้าเราไปทำบาป เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพเราก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทำบาปเพราะอยากร่่อมอยากรวยก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความหวาดกลัวก็จะไปเป็นอสู ร, รกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกนี่คือทำไมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงมาสอน ให้พวกเราไม่ทำบาปกันไม่เสพอบายามุกบาปและอบายามุกนี้ถือว่าเป็นเพื่อนกันเป็นผู้สนับสนุนกันผู้ที่ไปเสพอบายามุกนี้มักจะไปทำบาปต่อถ้าไม่ไปเสบอบายามุกก็โอกาสที่จะไปทำบาปก็มีน้อยลงจึงทรงห้ามทั้งสองอย่าง คือหห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดประเวณีสี่ห้ามพูดปดโกหกหลอกลวงห้าห้ามดื่มสุรายาเมาหห้ามเล่นการพนันเจดห้ามเที่ยวเตร 8. ห้ามความเกลียดแค้นห้ามเกลียดแค้นและส0บหรือเก้าเก้า ห้ามคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยอย่าไปคบกับคนที่ชอบเดิมสุราเพราะเขาจะต้องชวนเราเดิมสุราอย่างแน่นอนถ้าอย่าไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพานันเขาจะชวนเราไปเล่นการพนันอย่าไปคบกับคนที่ชอบเที่ยวเตยเพราะเขาจะชวนเราไปเที่ยวเต่อย่าไปคบกับคนที่ชอบความเกลียดข้าน เพราะเขาจะชวนให้เราเกียรตคานด้วยนะเมื่อเราไปเสพใบายามุกเราก็จะมีแต่เสียไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเงินทองที่เราไม่อยู่ก็จะไม่พอใช้แล้วเราก็จะต้องไปหาเงินทองโมาโดยวิธีทำบาปนั่นเองเพราะเราจะไม่มีงานทำหรือขี้เกียจทำงานกัน ชอบใช้เงินแต่ไม่ชอบหาเงินกันเดี๋ยวเงินก็ต้องไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ต้องอาศัยการทำบาปเป็นวิธีหาเงินเพราะเป็นวิธีที่หาได้ง่ายหาได้มากหาได้เร็วนั่นเองเออนี่คือเรื่องของการรักษาทรัพย์ภายในอันดับที่หนึ่งคือมนุษยศาสตร์ด้วยการละเว้นการกระทำบาปทั้งปวง พเรามีดูรักษามนุษยรัพย์ได้แล้วถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ที่มีคุณค่าราคาสูงกว่ามนุษย์ทรัพย์คือเทวทรัพย์เราก็ต้องมาทําบุญกันนี่คือทําไมคําสอนข้อที่สองของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสอนว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม การสร้างบุญสร้างกุศลนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็คือการให้เรียกว่าทานให้ข้าวของเงินทองก็แก่ผู้อื่นเพื่อให้ความสุขแก่ผู้อื่นเวลาเราให้ความสุขกับผู้อื่นเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาด้วยนั่นเอง ความสุขนี้แหละคือบุญที่จะเพิ่มระดับคุณค่าของจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงจากระดับมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับเทพได้เพราะผู้ที่ทำบุญนี้จะมีพลมวิหารสี่นั่นเองมีความเมตตากรุณาบูดิตาอุเบกขาเป็นคุณสมบัติของเทวดาทั้งหลาย อยากจะเป็นเทวดานี้ต้องมีความเมตตาต้องอยากให้คนอื่นมีความสุขอย่าเห็นกับตัวอย่ า, าหาความสุขใส่ตัวเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นเช่นเรามีคนสุขคนคนเดียวแล้วคนรอบข้างมีความทุกข์มันจะมีเราจะสุขได้อย่างไร แต่ถ้าคนรับข้ามเขามีความสุขเหมือนกับเราเนี่ยเราจะยิ่งมีความรู้สึกสุขมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเขาได้รับความสุขจากการแบ่งปันความสุขของเราให้กับเขาไปจึงต้องมีการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆแล้วแต่กำลังแล้วแต่ว่าเรามีอะไรจะให้เพราะการให้นี้มีหลายชนิดด้วยกัน ถ้าเรามีข้าวของเงินทองเหลือใช้เหลือกินเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้อันนี้ก็เอาไปให้ผู้ที่เขาไม่มีดีกว่าเขาจะได้มีความสุขผู้รับนี้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นพระเป็นวัดทานั้นถึงจะเป็นบุญแต่ตามธรรมเนียมของโลกสมมุติเราจะแบ่งความหมายหรืออธิยามไว้ว่าถ้าให้กับพระ ให้กับวัดเรียกว่าทำบุญถ้าให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่เป็นวัดก็เรียกว่าทำทานแต่ความจริงมันเป็นคำเดียวกันทานนี่เป็นเหตุบุญนี่เป็นผลบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจทานก็คือการให้พอให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้ให้ก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา เป็นเป็นเหตุและผลทานเป็นเหตุบุญเป็นผลแต่ในโลกของทั่วไปนี้เขาเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าบุญคือสิ่งที่เราได้ได้จากการทำทานกับพระส่วนทานนี้เราจะได้จากการทำทานกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระแต่ความจริง เป็นอย่างเดียวกันทานคือเป็นเหตุให้กับวัดให้กับพระก็เรียกว่าทานให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่เป็นวัดก็เรียกว่าทานเหมือนกันแล้วผลที่เกิดจากการให้ทานก็คือบุญคือความสุขใจก็เหมือนกันดังนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างใดทำบุญกับวัดหรือทำบุญกับ ผู้ที่ไม่ใช่อยู่ที่วัดคือเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลได้บุญเหมือนกันแต่เหตุที่เขาบอกว่าเวลาทำบุญให้เลือกทำกับเนื้อนาบุญอันนี้เป็นเพราะว่านอกจากทำบุญได้บุญแล้วยังได้ธรรมะอีก อ, อีกอย่างหนึ่งคือความรู้ เวลาเราไปทําบุญกับใครเรามักจะคุยกับเขาถามเขาว่าเป็นอย่างไรเช่นเราไปทําบุญกับหมอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวหมอเขาก็เล่าเรื่องวิธีรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้กับเราถ้าไปทําบุญกับโรงเรียนเขาก็จะให้วิชาความรู้กับเราถ้าเราไปทําบุญกับพระพระก็จะให้ธรรมะกับเรานั่นเองเนี่ที่ที่ที่ว่าทําบุญแล้วต้องเลือกพระนี่ก็หมายถึงว่า ถ้าเราต้องการธรรมะจากพระเราก็ต้องเลือกพระที่มีธรรมะแล้วพระที่มีธรรมะก็มีหลายระดับมีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระหรือพระธรรมดาพระที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็มีธรรมะเหมือนกันแต่มีมากน้อยต่างกันไปตามลําดับนพระปุตุชนก็มีธรรมะระดับปุตุชนน พระอริยบุคคลก็จะมีธรรมะดั บ, ดบพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันก็จะมีธรร ม, มะมากกว่าพระปุถุชนสิบเท่าพระสกิดาคามีก็จะมีธรร ม, มะมากกว่าพระสุโสดาบันสิบเท่านพระอนาคามีก็จะมีธรรมะมากกว่าพระสกิดาคามีสิบเท่า พาาระอรหันต์ก็จะมีธรรมะมากกว่าพราะอนาคามียสิบเท่าพาระปเจกะพุทธเจ้าก็จะมีธรรมะมากกว่าพาาระอรหันต์สิบเท่าพาาระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีธรรมะมากกว่าพาระปเจกะพุทธเจ้าสิบเท่านี่คือความหมายว่านอกจากวันอกจากบุญคือความอิ่มใจสุขใจที่เราจะได้รับแล้ว เรายัางจะได้ของแถมคือธรรมะถ้าเราเลือกทากับบุคคลที่มีธรรมะแล้วก็ธรรมะนี่มีคุณค่าราคามากยิ่งกว่าบุญที่เราได้ทำด้วยซ้าไปเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเหมือนกับเงินที่เราจะไปซื้ออริยทรัพย์เนี่ยถ้าเราเอาอยากจะได้เพชรน้ำหนึ่ง เพชรที่มีราคาแพงที่สุดนี่เราต้องซื้อด้วยอริยทรัพย์เราไม่สามารถซื้อได้ด้วยการไม่ทำบาปไม่สามารถซื้อได้ด้วยการทำบุญชนิดต่างๆเราต้องมีธรรมะเท่า น, นั้นเราถึงจะสามารถซื้ออริยทรัพย์ได้นั่นจึงเป็นที่มาว่าทาไมเราต้องเลือกทำบุญกับบุคคลต่างๆ เพราะบุคคลต่างๆที่จะให้ธรรมะกับเรานี้มีมากมีน้อยต่างกันนั่นเองยึงมีการเปรียบเทียบว่าทำบุญกับพระพุทธชนนี้ได้หนึ่งเท่าหรือทำบุญกับพระโสดาบันได้สิบเท่าทำบุญกับพระสกิดาคามีได้ร้อยเท่าทำบุญกับพระอนาคาามีได้พันเท่าทำบุญกับพระอราหันได้หมื่นเท่า ทำบุญกับพระปเจกพะพุทธเจ้าได้แสนเท่าทำบุญกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ล้านเท่าเพราะถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะบรรลุ ธ, ธรรมในขณะที่ฟังเลยก็ได้เพราะท่านมีธรรมะที่แหลมคมสามารถทิ่มแทงกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้ตายได้ทันที หลังจากเพียงแต่ได้ยินได้ฟังธทำเท่านั้นนนี่แหละคือทําไมเวลาทำบุญถึงเรือกรมกับคนชนิดต่างๆก็อยู่กับว่าเราต้องการธรรมะหรือไม่ต้องการธรรมะถ้าเราไม่ต้องการธรรมะถึงแม้ไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าสาบาสเสร็จก็กลับบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ธรรมะได้เพียงแต่บุญที่เกิดจาก ทำทานเสียสละอาหารที่เราใส่บาตรไปเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้ธรรมะต้องรอให้รอฟังธรรมก่อนะโดยปกติเวลาไปวัดนี้ขั้นต้นจะให้ใส่บาตรแล้วพระท่านจะได้ฉันกันฉันเสร็จแล้วท่านก็จะแสดงธรรมให้เราฟังถ้าเราอยากจะได้ของแถมได้ธรรมะเราก็ต้องรออยู่วัดฟังธรรมต่อ ถ้าเราไม่อยากจะอยู่เพราะเรามีธุระต้องไปทํางานทําการหรือทําอะไรก็ตามเราก็จะได้เพียงบุญอย่างเดียวคือความสุขใจอิ่มใจแต่เราจะไม่ได้รับธรรมะเมื่อเราไม่มีธรรมะเราก็จะไม่สามารถที่จะไปซื้ออริยทรัพย์ได้เราได้เพียงแต่เทวทรัพย์ถ้าเราทําบุญแล้วไม่ทําบาป ขอทำความเข้าใจเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่รู้เรื่องบางทีบอกว่าทำบุญกับพระอรหันต์กับพระกับหมาก็ได้บุญเท่ากันอันนี้คือบุญที่เกิดจากการทำทานให้ข้าวพระกับให้ข้าวหมาก็ได้ความสุขใจเท่ากันอันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานแต่บุญที่เกิดจากการได้ธรรมะนี่ไม่เท่ากัน ถ้าให้หมามานก็เห่าให้เรามันก็สแสดงกระโดดน็อตเต้นให้เรามีความสุขใจประเดี๋ยวประเดาแต่ถ้าทำบุญกับพระก็ท่านก็จ ะ, สะแสดงทำให้เราฟังถ้าเราฟังแล้วเข้าใจเราก็อาจจะบรรลุธรรมในขณะที่เราฟังถ้าไม่บรรลุเราก็เอาไปทำเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวไม่นานเราก็จะบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกัน แต่จะบรรลุได้เพียงระดับของผู้ที่แสดงถ้าท่านเป็นพระโสดาบันท่านเราก็จะได้ทำในแค่ระดับพระโสดาบันจะได้สูงกว่านั้นไม่ได้ถ้าอยากจะได้สูงกว่านั้นต้องไปหาพระสะกิฎาคาพระอนาคาพระอาหารหันต์ท่านเป็นเหมือนนักศึกษาระดับปริญญาต่างกันมีระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก อันนี้ก็เหมือนกันธรรมะก็เป็นแบ่งเป็นระดับระดับ <c oughs> แต่ถ้าได้จบปริญญาต้นต้นแล้วสามารถเรียนเองก็ได้ถ้าไม่สามารถหาพระที่สูงกว่ามาสอนก็สามารถเรียนเองได้เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอัตโนมัติพอได้ระดับปริญญาตรีแล้วสามารถเรียนเองไขอยคว้ า, วาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ต่างกันตรงที่ว่ายากง่ายหรือช้าเร็วเท่านั้นถ้าต้องค้นคว้าเองก็อาจจะช้าหน่อยจะยากหน่อยแต่ถ้ามีคนสอนนี่ก็จะเร็วจะง่ายขึ้นพอจะบอกสอนตรงประเด็นถ้าไม่มีคนสอนก็อาจจะคำผิดคำถูกไปแต่ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้เหมือนกันนี่คือความแตกตา่างไม่ว่าใครก็ตาม พอได้เข้าสู่ระดับอริยะแล้วอริยะผลแล้วคือพระโสดาบันนี้ท่านเรียกว่าได้เข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพานก็เหมือนคาว่าโสดาบันนี้ก็มาจากคําว่ากระแสนั่นเองโสดานี้ภาษาพระเรียกว่าโสตะโสตะนี้แปลว่ากระแสกระแสที่จะพาผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพาน เหมือนเวลาที่เราล่องแองกเนี่ยล่องแก่งเนี่ยพอเราลงไปใน น, น้ําานะมันจะไม่พาเราย้อนกลับขึ้นไปเหมือนจะปล่อยให้เราไหลลงไปสู่แม่น้ำลำธารต่อไปชั้นใดนิพพานก็เหมือนกันไม่ว่าใครก็ตามพอได้บรรลุ ข, ขั้นสูดาบันแล้วจะมีความสามารถที่จะพาจิตใจให้ไปสู่พะนิพานได้ด้วยตนเอง ถ้าเกิดตายไปก่อนก็สามารถไปทำต่อได้ในพบต่อไปไม่สูญไม่หายทรัพย์ภายในนี้มีแบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวและระดับยั่งยืนระดับชั่วคราวก็คือยังมีการหมดไปได้เช่นระดับมนุษย์เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ตายพอตายก็ถือว่าหมดไป ถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้ไม่ได้รักษาศีลก็จะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์นจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานแทนแต่ถ้าทำบุญถ้ารักษาศีลได้ตายไปก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ก็ต้องเสื่อมไปเวลาตายไปเช่นเดียวกับเทวทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีลจากการทําบุญทําทานเวลา เวลาไปเป็นเทวดาเดี๋ยวบุญก็หมดนะบุญนี้เป็นเหมือนน้ำมันรถเนี่ยเครื่องเครื่องบินเวลาขึ้นเครื่อง ข, ขึ้นไปบนฟ้าได้เพราะมีน้ำมันเนี่ยพอน้ำมันใกล้หมดนี้ต้องถาสนามจอดะนะเช่นใดพวกเทวดานี้ก็เหมือนกันพอบุญหมดดวงวิญญาณก็จะลงมาเกิดเป็นมนุมนษย์ใหม่เช่นเดียวกับทัพย์ระดับที่สามคือพร ม, มทรัพย์เนีย วิธีสร้างพรหมมาทรัพย์นี้ก็ต้องใช้การรักษาศีลเพิ่มขึ้นจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดแล้วก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้ให้สงบสามารถเข้าสู่รูปฌปานและอรูปฌปานได้ถ้าเข้าสู่รูปฌปานได้ก็จะได้ทรัพย์ระดับพรหมมาทรัพย์ระดับรูปประพรม ถ้าได้อารูปประชานก็จะได้ทรัพย์ระดับอรูปประพรมทั้งสองทรัพย์สองระดับนี้ก็มีวันเสื่อมได้เพราะฌานนี้มันเสื่อมได้เข้าสมาธิมันก็สงบ พ, พอเดี๋ยวก็ต้องออกมาเพอสติที่ส่งให้เข้าไปหมดกําลังก็ต้องถอนออกมามาเป็นเทพมาเป็นมนุษย์ต่อไปอย่างใดผู้ที่ได้พรมทรัพย์ก็ยังต้องสูญเสียพรมทรัพย์นั้น เพียงแต่ว่าอย่างน้อยสามารถเอาติดตัวไปได้ในตอนที่ตายตอนที่ร่างกายของเราตายไปตอนนี้สมมุติว่าถ้าเรามีพรห ม, มรัพย์เราก็จะไปรับผลของพรหมมาซั์ทันทีถ้าเรามีเทวมัพย์เราก็จะไปรับผลของเทวมัพย์ทันทีถ้าเรามีมนุษยทรัพย์เราก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีแต่แต่พบเหล่านี้ยังเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงยังไม่ถาวร มีการเสื่อมมีการหมดไปได้นี่นะแต่มีภพเอกขั้นหนึ่งที่เราเรียกว่าอริยภพหรืออริยทรัพย์นี่นี่เป็นทรัพย์ที่ไม่เสื่อมนะสมมติว่าถ้าได้โสดาบันแล้วนี้จะไม่เสื่อมจากโสดาบันจะไม่กลับมาเป็นปุถุชนจะไม่กลับมาเป็นอเป็นเทวดาเป็นอาจจะเป็นเทวดาแต่จิตใจไม่ได้เป็นเทวดาแบบเทวดาทั่วไป หรือถ้าเป็นพรหมก็ไม่ได้เป็นพรหมแบบพรหมทั่วไปไม่เป็นพรหมแบบไม่เสื่อมเป็นเทวดาแบบไม่เสื่อมนะเป็นมนุษย์แบบไม่เสื่อมนะเพราะว่าพระโสดาบันนี้ยังต้องปฏิบัติต่อแล้วโอกาสที่จะต้องกลับมาเกิดยังมีอยู่อีกแต่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่ทุกครั้งที่มาเกิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานี้ก็จะเป็น พระโสดาบันอยู่เหมือนเดิมแลถ้าปฏิบัติถึงขั้นที่สองได้พันขั้นส ก, กิิดาคาก็จะไม่เสื่อมลงจากส ก, กิิดาคามาเป็นพระโสดาบันพอได้ขั้นที่สามพระอนาคาคาก็จะไม่เสื่อมลงมาสู่ขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งพอได้ขั้นที่สี่คือขั้นพระอารหรันต์ก็จะไม่มีวันเสื่อมลงมาอีกต่อไปจะเป็นพระอารหันต์ไปอย่าง อนันตาการตลอดเวลาเป็นพระอนันตสาวกถ้าถ้าเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าถ้าเรียนรู้เองค้นคว้าหาธรรมะเองก็จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่พระนิพพานคือที่อยู่ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย่นี่นคือทรัพย์ภายในที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้ เราจึงเรียกว่าเป็นทรัพย์แท้เป็นที่พึ่งแท้ที่พึ่งจากภัยต่างๆเช่นภัยที่จะพาให้เราไปเกิดในอบายหรือภัยที่จะทําทให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆเวลาเรามีทรัพย์ภายในแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะมีแต่ความสุขเขาถึงเรียกว่าไปอยู่ในสุขคติเพบาะที่มีแต่ความสุขไม่ไปอยู่ในทุกขคติ คืออบายสิพบที่มีแต่ความทุกข์เนี่ย น, นี่คือเรื่องของทรัพย์ภายในที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราที่พระพุทธเจ้าและพระสาวพวกทั้งหลายมาบอกมาสอนเราพอเราได้ทรัพย์ขั้นที่สองคือทรัพย์ระดับพรหมทรัพย์ ขั้นที่หนึ่งเราได้มนุษยสัพจากการจากการไม่ทำบาปแล้วพอเราทำบุญชนิดต่างๆได้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะได้เทวสัพแล้วพอเราได้เทวสัพ์เราก็สามารถพัฒนาจากระดับเทวสัพ์สู่ระดับพรหมรัพได้ด้วยการเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีล8 แล้วก็ไปฝึกสมาธิไปเจริญสติใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นผู้เจริญสติพอมีสติก็จะสามารถหยุดความคิดต่างๆที่มีอยู่ในใจได้สามารถทําใจให้นิ่งสงบเป็นฌานขั้นต่างๆได้นพอเราได้เข้าฌานขั้นต่างๆเราก็จะได้เป็นเราก็จะได้พรมมาซัร์ระดับต่างๆพรมมาซั์ สี่สำหรับรูปฌานก็มีอยู่สี่ขั้นสำหรับอรูปฌานก็มีอีกอยู่สี่ขั้นด้วยกันความแต่ละขั้นนี้จะมีความสุขมากน้อยต่างกันไปขั้นที่หนึ่งน้อยกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองน้อยกว่าขั้นที่สามขั้นที่สามน้อยกว่าขั้นที่สี่ขั้นรูปฌานก็จะมีความสุขน้อยกว่าขั้นอรูปฌานอันนี้ก็จากพลังคือสติว่ามีมากมีน้อย มีสติมากสามารถควบคุมความคิดได้มากก็จะสงบได้มากก็จะมีความสุขได้มากมีความสุขได้นานมีสติน้อยก็จะมีความสุขได้น้อยมีความสุขได้ไม่นานางนั้นสิ่งที่สำคัญในการที่จะสร้างพรหมพย์นี้ก็คือสตินี่เองนอย่างนั้นผู้ที่มาเจริญสติมารักษาศีลแปด ก็เพื่อที่จะมาสร้างพรหมมาทรัพย์เพื่อมาต้องมาพยายามหยุดความคิดอย่าคุยกันอย่าอยู่คุกคีกันพอคุกคีกันเดี๋ยวมันต้องคุยกันถ้าไม่คุยเดี๋ยวจะคิดภายในใจว่าทาไมก็ไม่คุยกับเราเราไม่คุยกับเขาเราหยิงหรือเปล่าเดี๋ยวคิดเป็นบ้าไปหมดก็เลยต้องต้องคุยกันพอคุยกันมันก็เลยฟุ้งเออมันก็เลยไม่สงบเลยไม่ได้พรหมมาทรัพย์กันเล รักษาศีลแปดไปแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะศีล น, นี้เป็นเพียงแต่ผู้ที่จะคอยกั้นไม่ให้จิตใจไปคิดวุ่นวายกับการทำกิจกรรมต่างๆมันเองศีลแปดห้าไม่ให้ร่วมหับนอนกันไม่ให้ไปกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้ไปเที่ยวไปสถาบันเทิงดูมหหรสบอะไรต่างๆ ไม่ให้เสริมสวยความงามทางร่างกายไม่ให้นอนบนเตียงที่มันสบายเกินไปเตียงใหญ่ๆฟุบหานาๆให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อเพื่อที่จะได้นอนไม่มากร่างกายเวลาง่วงจริงๆนอนที่ไหนก็หลับแล้วพอมันได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่น แต่ถ้ามันนอนบนผูกหนาๆพอตื่นแล้วมันจะไม่อยากลุกมันอยากจะนอนต่อเพราะมันสบายมันสุขอยากการนอนแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี้พอตื่นแล้วมันไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนอนแล้วเจ็บหลังปวดหลังอย่านอนดีกว่ารีบรุกขึ้นมาเจริญสติดีกว่ามาพุโทโธพุโทโธมาเอาความสุขจากการเข้าสมาธิดีกว่าเข้าฌานดีกว่า นี่คือหน้าที่ของศีลแปดมีไว้เพื่อที่จะได้มาสนับสนุนในการสร้างสมาธิสร้างฌานขั้นต่างๆด้วยการเจริญสติสตินี้ศีลไม่ได้สนับสนุนนะเราต้องใช้ความเพียรสนับสนุนรักษาศีลแล้วอย่าไปคิดว่าสติจะมาเองไม่มาสติจะมาได้ต้องมีความเพียรคือความพยายามต้องพยายาม ตั้งเป้าไว้บางครับว่าวันนี้จะไม่พูดกับใครจะไม่คิดเรื่องอะไรจะพุทโทอย่างเดียวถ้ามันคิดก็จะใช้พุทโทหยุดมันถ้ามันไม่คิดก็หยุดพุดโทโธก็ได้มีพุทโทไว้คอยหยุดความคิดพอมีเวลาว่างก็ต้องนั่งหลับตาถึงจะเข้าฌานได้ถ้ายังเดินยังยืนยังทำอะไรอยู่นี่เข้าฌานไม่ได้มีสติก็จริงแต่เข้าฌานไม่ได้เพราะใจยังทางานอยู่ ใจยังต้องสั่งให้ร่างกายทำยอะไรต่างๆอยู่ถ้าอยากจะเข้าฌานจึงต้องนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิแล้วก็ใช้สติที่เราได้สร้างขึ้นมาในขณะที่เรายังไม่ได้นั่งนี้มากํากับควบคุมความคิดให้หยุดความคิดพอความคิดหยุดปั๊บจิตก็จะดิ่งลงเหวแล้วเข้าสู่ความสงบทันที เวลาดิ่งไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวไม่เจ็บก้นไม่แตกพื้นข้างล่างนี้ไม่มีไม่มีหินของแข็งๆไว้รองนับมีเบาะนุ่มๆพอลงแล้วจะอยากจะไม่อ ย, ไมอยากจะลุกไม่อยากจะออกเพราะมันสบายวาเวลาจิตดิ่งเวลาจิตรวมแล้วนี่มันพบมันจะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่เรียกว่า นัตสันติปลังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่การเจริญสติพุทโธพุทโธอยู่ที่การนั่งหลับตาถ้ายังไม่นั่งหลับตาเดินจงกรมกี่ชั่วโมงมันก็จะไม่ดิง้งมันจะดิ้งก็ต่อเมื่อเรานั่งเฉยๆแล้วก็มีพุทโธคอยกำกับใจนี่คือระดับของพรหมทัพย์ แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสู่ระดับอริยสัพเ์เราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งก็คือเจริญปัญญาปัญญานี้จะมาเป็นผู้ที่จะมาทำให้จิตที่เป็นพรมนี้ขึ้นสู่ระดับโสดาบันขึ้นสู่สกิทาคามีอนาคามีต่อไปปัญญาที่ะ ปัญญาคืออะไรก็คือการเห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมทัท้งปวงนั่นเองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็หมดความสุขต่างๆที่เราไปหามาจากสิ่งต่างๆได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมมันต้องหมด พอหมดสุขก็หายไปทุกข์ก็มาแทนที่นี่คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสุขมันจะกลายเป็นทุกข์ต่อไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่คือความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับรือสัง่งให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาได้ พวกเราจิตกิเลสของพวกเรานี่อยากได้ของที่เป็นนิจังสุขขังอัตตานิจังก็คือถาวรสุขขังก็สุขไปตลอดอตตาก็เป็นของเราไปตลอดแต่สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกใจหรือสิ่งภายในใจนี้ร้วนเป็นอนิจังทุกขังอนตตาเท่านั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆ อยู่กับมันไปถ้าต้องอยู่ถ้าต้องเจอก็ใช้อุเบกขาไปอย่าไปอยากอย่าไปดีใจอย่าไปยินดียินด้กับมันแล้วใจจะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อที่จะยกระดับจิตเครื่องสื่ระดับของพระอริยบุคคลได้เช่นพระสวสดาบรลก็จะเข้าใจเรื่องของร่างกาย เข้าใจของเรื่องของความเจ็บของร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันเป็นตายไม่ได้มันเป็นอนิจจังมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากให้มันเป็นนิจจังอย่าไปอยากให้มันเป็นสุขขังเพราะมันมันเป็นความสุขแบบประเดี๋ยวประดาสุขตอนที่มันไม่เจ็บตอนที่มันไม่แก่ตอนที่มันไม่ตายเท่านั้น พอถึงเวลามันแก่มันเจ็บมันตายนี้มันไม่สุขแล้วมันมีแต่ทุกข์นะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปฉะั้นเราต้องปล่อยวางเพียงอย่างเดียวใช้อุเบกขาอยู่กับมันไปตอนนี้มีมีมันก็อยู่กับมันไปอยู่ด้วยอุเบกขา ไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันจะเป็นอะไรก็ดูแลมันไปดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะไปจนกว่ามันจะจากเราไปถ้าอยู่แบบนี้เราจะไม่ทุกข์กับมัน น, นนี้คือระดับโสดาบันปล่อยวางร่างกายไนดะ้ส่วนสกิราคามีอานาคามีนี้ก็ามาปล่อยวางร่างกายของคนอื่น ร่างกายที่เรารักเราชอบที่เราอยากได้มาเป็นแฟนเป็นคู่ของของเหล่านี้วิธีที่จะทำให้เราไม่อยากได้เราก็ต้องดูตอนที่เขาไม่น่ารักน่าดูนั่นเองดูตอนที่เขาอ้วนก็นได้เนมผู้ชายพอมีอ้วนตอนหนีไปหาแฟนใหม่เนะี่ยยัต้องคิดว่าแฟนที่เราสวยๆตอนนี้เดี๋ยวมาแต่งงานกับเราอยู่เดียวไม่นานมันอ้วนขึ้นมาจะทำยังไง <c oughs> ดูดูตอนที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หน้าตาหน้าดูมั้ยดูดูตอนที่เพึ่งตื่นนอนขึ้นมาผ้าผมยังไม่ได้วีพันยังไม่ได้แปลงน้ำตาขี้หน้ายังไม่ได้ล้างดูสิมันหน้าดูไหมด้วยถ้ายังอยากจะให้มันดูไม่สวยกว่านี้ดูตอนที่มันตายบ้างไปดูคนตายแล้วถ้าแฟนเราตายวันนี้จะเก็บไว้ในบ้านหรือเปล่าลองถามดูนะไม่เก็บเลยใช่ไยกให้สับเปละเลย นี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ไปรักแฟนไม่อยากได้แฟนต้องคิดถึงสภาพของร่างกายของเขาตอนที่ไม่น่าดูน่าชมแล้วจะมองเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังก็ได้ผิวหนังมันบังของที่น่าเกียดทั้งหลายไว้หมดเนี่ย ลำไส้ไม่รู้กี่ขดเนี่ยอยู่ข้างในร่างกายเรานี่โครงกระดูกนี้ก็อยู่ภายในร่างกายนี้แต่เรามองไม่เห็นกันเราเลยไปหลงคิดว่าร่างกายนี้สวยงามแต่แท้จริงแล้วมันไม่สวยงามเลยถ้าเราลองแกะเอาหนังออกเท่านั้นเองจะเห็นส่วนต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชม นี่ก็จะทำให้ไม่มีความอยากจะมีแฟนได้ไม่มีอยากจะเสพกามได้ก็จะได้ขั้นของพระอนาคามีแล้วส่วนขั้นขั้นของพระอรหันต์ก็ต้องไปละสิ่งต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจความสุขชนิดต่างๆที่อยู่ในใจก็เป็นความสุขชั่วคราวต้องปล่อยวางให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนตัตตา พอปล่อยวางได้หมดทีนี้ก็ไม่ไปทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากได้อะไรอีกต่อไปไม่อยากมีอะไรเพราะรู้ว่าได้อะไรมาแล้วมีอะไรแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์เพราะมันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องหมดไปนั่นเองอ น, นี้คือวิธีที่จะสร้างอริยทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ชนิดที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสื่อมไปจากใจอีกต่อไปด้วยการจเจริญ ทาขั้นที่สี่คือปัญญาขั้นขั้นที่สามคือสมาธินี้จะรวมอยู่ในคําสอนข้ อ, ขอ ท, 3, ที่สามที่ทรงสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยการจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ต้องชำระ ด, ด้วยสมาธิและปัญญาหรือที่เรียกว่าสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เองนี่แหละคือ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆยุคทุกสมัยจะสอนให้พวกเรามาหาของจริงกันมาซื้อของจริงมาสร้างของจริงที่มีอยู่ภายในใจของเราหนึ่งด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาสมาธิและปัญญา ถ้าอยากจะได้เทวทรัพย์ก็ให้ทาบุญรักษาศีห้าไปถ้าอยากได้มนุษยทรัพย์ก็รักษาศีหห้าไปแล้วทรัพย์ต่างๆที่เราจะเอาติดตัวไปได้ก็จะเป็นของเราทรัพย์ภายนอกอย่าไปเสียเวลาพอหมดลมหายใจปั๊บหมดสิท ธ, ธิ์ทันทีแต่ทรัพย์ภายในนี้หมดลมหายใจแล้วยังเอาติดตัวไปได้ต่อไป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 ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังต um ุมหังกิปะเมวาสมิตจตสัเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโสยถามณีชดีราโสยทาสัพพิธิโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตุอันตรายุสุขีทีกายุโกภวะ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 ถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วก็จะของดถามตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะทาง f a c e b o o สอง2้อยหกสิบสองท่าน y o u t u สอง9 9อเก้าท่านวิทิุออนไลน์สิบปดท่านรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสามท่าน รวมทั้งหมดหก2้อยแปสบสองท่านค่ ะ, ะใครอยากจะถามยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไหมฮ ะ, ะพูดดังๆเลยเคยเมีหลวงพ่อหลวงปู่หลายท่านนะฮะที่ผมได้ความรู้มาในเรื่องของการวางกายนะครับฝึกพิจารณากายแล้วก็วางหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางกายอ่ะครับทีนี้พอเราฝึกไปเนี่ยครับคิดมาเนี่ยมันคิดอยู่เรื่อยแล้วมันก็รู้สึกมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแต่แล้วก็คิดไปว่าพอมันไม่มีกายแล้วเนี่ยทิฏฐิมานะต่างๆในเรื่องของความเห็นถูกหรือว่าความเป็นมานะเนี่ยครับนึกว่ามันจะน้อยลงตามไปอืมแต่ปรากฏว่ามัน มันไม่ได้น้อยลงแล้วก็มันก็เหมือนบางครั้งมันก็จะมากขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยมันอย่างนี้มันแภลว่าอะไรครับภาวามันมันการคิดอย่างเดียวไม่พอเนี่ยการคิดนี้มันเป็นเพียงแต่เป็นแต่ความนึกท่นเองซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงของจิตจิตถ้ามันยังมีอัตตาตัวตนอยู่มันก็ยังมีอยู่ วิธีที่จะลดอัตตาตัวตนของจิตนี้ต้องหยุดจิตต้องทันทําจิตให้สงบก็คือให้มานั่งสมาธิเอาเวลาจิตสงบจริงๆนี่ตัวอัตตา ต, ตัวตนมันจะหยุดทํางานอืแล้วพอเราออกจากสมาธิมันก็จะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนอืมเห็นถ้าไม่มีสมาธิไปนั่งคิดยังไงก็ไม่มีทางที่จะไป ลดกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หายไปได้มันก็จะหายไปช่วงที่เราคิดพอเราไม่คิดมันก็กลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราฝึกจิตอยู่เรื่อยๆคอยให้มันสงบอยู่เรื่อยๆให้กําลังของโมหะอวิชชาคืออัตตาตัวตนกิเลสความโลภความอยากมันจะอ่อนกําลังลงไปมันไม่ตายแต่มันจะอ่อนกําลังลงแล้วตอนนั้นน่ะเราสามารถที่จะใช้ความคิดมา แก้มันได้เวลามันจะคิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นเพียงแต่สมมุติเราคิดขึ้นมาเองะแต่ต้องทําทั้งสองอย่างต้องมีทั้งความคิดและต้องมีมีสมาธิที่จะมาคอยสนับสนุนความคิดให้เป็นไปตามความเป็นจริงได้ถ้าคิดโดยไม่มีสมาธิมันก็จะได้แต่ความคิดแต่ไม่ไม่ไม่ได้ความจริงของจิตะ อวามจริงของจิตนี้ต้องอาศัยสมาธิเป็นผู้ที่จะทําให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมานั่นแปลว่าจิตกับกายกมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันถูกไหมฮะก็เป็นสองคนไงจิตเป็นเป็นเป็นแฝดพี่ร่างกายเป็นแฝดน้องจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพาไปไหนมาไหนแล้วจิตก็ไปหลงไปยึดไปติด กับร่างกายว่าเป็นตัวของจิตจิตก็เลยทุกเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมากับร่างกายแต่ถ้าได้ศึกษาได้แยกจิตออกจากกายจิตก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายแต่แต่เขาพบว่ายังมีทิฐิที่จิตอยู่เพราเพราะต้องไปฝึกในส่วนนั้นด้วยต้องไปฝึกในส่วนนั้นต่อไปอนต้องก็ละกายก่อนละกายแล้วถึงค่อยเข้าไปละจิตอีกทีหนะึ่ม เป็นขั้นๆเหมือนบอกเปือกผลไม้ก่อนจะไปถึงเมล็ดได้ก็ต้องผ่านเปลือกผ่านเนื้อก่อนถึงจะไปถึงตัวเมล็ดได้ตัวอัตตาตัวตนนี้มันเป็นเมเมล็ดมันอยู่ในส่วนลึกที่สุดของจิตใจที่จะต้องผ่านการปล่อยวางร่างกายไปก่อนถึงจะเข้าไปสู่การปล่อยวางจิตได้ทีหนึ่งต้องมีปัญญากับสมาธิเป็นเครื่องมือ ปัญญาก็คือตายลับต้องให้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารเป็นเพียงแต่ความนึกคิดเท่านั้นเองพอคิดว่าเราเป็นเราก็เป็นเราขึ้นมาแล้วก็เชื่อความคิดไปแต่ถ้าได้ฝึกสติฝึกปัญญาแล้วก็จะ ไม่เชื่อความคิดจะรู้ทันความคิดเพราะความคิดเป็นความหลงเป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความจริงถ้าความคิดที่ตรงกับความจริงก็เชื่อได้ถ้าคิดว่ามันเป็นตายรักษนี่ก็เชื่อได้แต่ถ้าไปคิดว่ามันตรงกันข้ามมันไม่เป็นตายรักก็แสดงว่ามันหลงถึง ต, ต้องคอยมันพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยเพราะความจริงคือตายรักนี่เอะ ต้องมีสมาธิถึงจะทำถึงจะมีกำลังมาปฏิบัติมาคิดอย่างนี้ได้แล้วทำให้มันเป็นจริงได้ถ้าไม่มีสมาธิก็นั่งวาดภาพไปเท่านั้นเองพอถึงเวลาเจอของจริงก็ทำใจไม่ได้พอใครด่าหน่อยก็ทำใจไม่ได้นะยังมีตัวตนอยู่ยังไม่พอใจอยู่ถ้าไม่มีตัวตนก็ปล่อยบรรดาไปสิใจไม่มีตัวตนไปรับแันสัอย่าง มีแต่ตัวรู้ไปรับรู้เท่านั้นเองถ้ามีตัวตนนะมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาการเกิดการคิดดีชั่วขึ้นมาพอใจไม่พอใจขึ้นมาดังนต้องใช้สมาธิหยุดสิ่งเหล่า น, นี้ก่อนเพื่อใใจมันว่างๆปราศจากความลักชังกลัวหลงแล้วทีนี้ก็สามารถใช้ปัญญาคิดไปตามความเป็นจริงได้ <c oughs> อข้าใจนะ ได้อยากจะถามมีก็ถามได้ถามให้พอ <c oughs> ม, มีคําถามอีกอันหนึ่งครับเจะเเเ อ, เเ อ, อ, เอเท่าที่ศึกษาข้อมูลมานะครับมีหลวงปู่หลวงพ่อที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบหลายๆท่านนะครับแนะนําว่าการกวดน้ําเนี่ยไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ใช้ส่งจิตอธิษฐานหรือรว่าพนมมือนะครับแต่ทีนี้ก็ไปได้ข้อมูลอย่างอื่นมานะครับอย่างเช่นคนที่ตายแล้วก็ฟื้นกลับมา เ, เขาไปเยี่ยม ที่นูน่นที่นี่มาเนี่ยนะครับหลายๆลายลายนะครับเขาบอกว่าเขาได้ไปกินข้าว แต่ปรากฏว่าในส่วนของน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ทานเพราะเขาไม่ได้ใช้น้ํากรดน้ํานะครับไม่ใช่หรอกอั้เป็นความคิดของบางรายก็บอกว่าเวลาใส่บาตรอ่ะก็แนะนําให้ใส่น้ําด้วยออพจะได้จะได้เวลาตายพานเลยช่วยต้องแบกน้ําไปด้วยในช่วงนั้นโยมถวายน้ำคนละสองสามขวดดันบินทบาทก็ไปไม่ไหวแล้วอเพราะในสื่อเนี่ยโหมเรื่องนี้มากเลยครับอไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นความเข้าใจผิด เพบุญไม่ได้เป็นน้ําไม่ได้เป็นข้าวนะบุญมันเป็นความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันอัะนั้นเป็นเรื่องมโนโของคนที่เขาคิดขึ้นมาเองซึ่งเขาตอนที่เขาไม่ตายเพราะเขาไม่ตายจริงเป็นสลบสลายไปแล้วก็ฝันไปฝันไปตามมโนโความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาแต่ถ้าคนปฏิบัติทำจริงๆ จ, จะไม่ จะไม่เชื่อเพราะรู้ไม่จริงถ้าเท่นั้นแปลว่าคนที่ปฏิบัติธรรมที่เชื่อว่ามรกสวรรค์อีูจริงคนละอันกับคนที่ฟืนขึ้นมาใช่ไหมครับคนละอันกันนละนคนที่ปฏิบัติธรรมจะเห็นนรกสวรรค์ในขณะที่ปฏิบัติเลยเราจะเข้าใจความหมายของคำนรกสวรรค์ก็คือความสุขใจทุกใจนี่แหละเขนะ้าใจไหมต้องต้องปฏิบัติ ตอนนี้เวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดเอามาเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนแล้วมาเปรียบเทียบกันแล้วไปพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกมาให้เชื่อท่านให้ฟังแล้วก็ลองเอาไปพิสูจน์ดูว่ามันเป็นจริงหรือไม่ถ้าถ้าปฏิบัติแล้วมันจะรู้จริงแต่ไม่ต้องตอนนี้ฟังได้แต่อย่าอย่าไปลบรู้แต่ก็อย่าไปเชื่อ ฟังหูไว้หูแล้วเราเอาไปปฏิบัติดูแล้วมาเปรียบเทียบกับผลที่เราได้เห็นจากการปฏิบัติโอเคท่านต่อไปท่านต่อไปเนีย่ยมีช่วงหนึ่งพระบิณะบาทนาสงสารนญะ <c oughs> าติโยมรีบถวายน้ำคนละขวดสองขวด <c oughs> ถ้าเดินไปคนเดียวนี่ไม่รู้จะน้ำไปไว้ที่ไห ครับนัสการ์ครับช่วงนี้ตอนที่ผมภาวนาครับรู้สึกว่าเหมือนว่ามันจะมีอาการหลับแบบแต่ก่อนเวลาภาวนาก็คือรู้ลมหายใจครับอานาปานสติแล้วก็รู้สิ่งที่คิดแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่เป็นอย่า ง, งานั้นครับเป็นแบบ เหมือนหลับไม่ก็เหมือนไม่รู้สึกตัวฮะอืมครับก็ถ้านั่งหลับก็อย่าเพิ่งนั่งเดินก่อนเดินฝึกสติให้มันมีสติมากมากก่อนแล้วค่อยไปนั่งเดินก็พุทโธไปหรือดูเท้าไปก็ไน้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็เหมือนกับนั่งคืออย่าปล่อยให้มันคิดอ้ามคิดให้อยู่กับการเดินหรือให้อยู่กับพุทโธไป จนรู้สึกว่าไม่ง่วงแล้วก็ค่อยไปนั่งถ้านั่งอย่างง่วงก็ต้องไปเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งในป่าช้าดูไปนั่งในป่าช้าไปนั่งอยู่ในป่าเปลี่ยวแล้วมันจะทำให้ไม่ง่วงหอือไม่เช่นนั้นก็ต้องอดข้าวอย่า ก, กินข้าวมากกิน น, น้อยๆมันก็จะไม่ง่วงแต่ต้องฝึกสติด้วยถ้าไม่มีสติมันก็ยังง่วงได้นะ แต่ถ้ามีสติแล้วสติมันจะเป็นตัวทําให้จิตตื่นนะเขาะ้าใจยังคำถามจากยูทู e ค่ะขอแนวทางปฏิบัติที่จะทําให้สติมีกำลังเพื่อควบคุมจิตให้สงบได้นานๆค่ะก็ต้องมีอะไรมากระตุ้นสติถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยที่สบายมันจะไม่มีสติ ต้องไปอยู่ที่มีที่สิ่งที่น่ากลัวมีงูมีสิงสารสัตว์เนี่ยลองไปเดินในป่าดูเลยสติไม่รู้มาจากไหนมันจะไม่เดินเอิบละเหยเหมือนกับไปเดินแถวศูนย์การค้าเวลาเดินแถวศูนย์การค้าก็ใจก็คิดนูน่นคิดนี่อันั้นก็สวยนี่ก็สวยบางทีเดินชนกับคนนั้นคนนี้ไปเพราะมัวแต่คิดถึงไอเรื่องที่อยากจะได้อยากจะซื้อ แต่ถ้าเปเดินที่มันน่ากลัวนี่มันจะไม่ก็ระเหยไปเดินในปา่าช้าดูเลยเดี๋ยวนั่นกผ็ผีนี่ก็ผีมันจะคอยดูแต่เท้าอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียว นี่แหละวิธีกระตุ้นสติเนี่ยดูทำไมถึงต้องมีพระป่ากันอ่ะเพราะพระต้องอาศัยป่าเป็นที่กระตุ้นสตินั่นเองพระบ้านมันไม่มีอะไรมากระตุ้นมีแต่มีแต่กระตุ้นกิเลสเห็นนั่นนั่นก็สวยเห็นนี่ก็น่าได้น่าอยากน่ามีน่าเป็นเห็นมไหมมันก็เลยไม่มีสติกันมีแต่กิเลสเต็มไปหมดส่วนพระป่านี่ท่านมีสติท่านจึงไม่ค่อยมีกิเลสกันท่านเลยไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกับพระบ้านมีกัน่ พระป่านนี่มักจะมีแค่อัตถาบริขารนะกับกฎหนึ่งอันไปไหนท่านก็ไปแค่นี้มีบาทมีจีวรสามพื้นมีกฎอันหนึง่งท่านไปได้แล้วแต่ถ้าพระบ้านนี่เต็มไปหมดแม้รถเก่ารถใหม่ <c oughs> มีทุกรุ่นทุกแบบ <c oughs> นั่นแะดูเปรียบเทียบการมีสติแล้วไม่มีสติก็ดูตรงนั้นแหละถ้ามีสติกิเลสมันก็จะไม่กล้าออกมาเพ่นพ่าน ถ้าไม่มีสติกิเลสแม่ก็ออกมาวาดรวดลายต่างๆให้ดูกันนะครับคําถามจากคุณปาริชาติคะ่ะแม่ดิฉันป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบดิฉันควรใช้ธรรมะช่วยแม่อย่างไรดีเจ้าคะช่วยใายช่วยเราแล้วช่วยแม่ช่วยแม่เจ้าคะ่ะช่วยแม่ก็ต้องถามแม่ว่าแม่อยากจะให้ช่วยหรือเปล่าถ้าแม่ไม่อยากฟังธรรมะก็ช่วยไม่ได้ ถ้าแม่อยากจะฟังธรรมะก็บอกแม่อยา่าก็แม่อยู่เฉยๆก็แม่พุโทโธพุทธโทรไปถ้าแม่ไม่สบายใจก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปหรือฟังเทศฟังธรรมไปแล้วแม่จะสบายใจอย่าไปสนใจกับเรื่องร่างกายร่างกายเป็นหน้าที่ของหมอเขาปล่อยให้หมอเขาดูแลไปแล้วเรามาดูแลใจของเราด้วยการทําใจให้สงบอยากคิดวิตกกังวลกับเรื่องของร่างกายไม่เกิดประโยชน์อะไรเอ อันนี้ก็ต้องให้ธรรมะกับแม่ต้องบอกแต่ถ้าแม่ก็ไม่ฟังก็ให้ก็ไม่ได้คำถามจากคุณยาค่ะอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถทำสมาธิได้ดีหรือไม่สามารถเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงคืออะไรเจ้าคะการไม่มีสตินี่ไหขาดสติแล้วอุปสรรคของการไม่มีสติก็คือก็คือการอยู่ที่สุขสบายที่ปลอดภัย ต้องไปหาที่มันไม่ปลอดภัยที่ไม่สุขไม่สบายมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสติขึ้นมาเพราะสติมันจะต้องเป็นตัวที่จะเระเชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้ถ้าไม่มีสติแล้วมันปเชิญไม่ได้คคำถามจากคุณยายข้อคะ่ะถ้าเรานั่งสมาธิแล้ว ลมยิ่งเบาลงเบาลงความรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกก็จางเบาลงเบาลงแล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะความรู้สึกมันไม่ควรเบาลงหรอกลมเบาแต่ความรู้สึกมันยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นถ้าเบาลงก็แสดงว่าสติมันอ่อนลงอ่อนลงมันก็ใกล้จะหลับนั่นแหละคำถามจากคุณสุวรรณาค่ะเมื่อปฏิบัติแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายท้งโลกอย่างมาก แต่ด้วยสภาวะที่ยังต้องติดอยู่ทางโลกจะมีวิธีสอนจิตอย่างไรเจ้าคะให้อยู่กับโลกกับสภาวะทางจิตที่เกิดอย่างมีความสุขเจ้าคะ่ะก็เหมือนกับเราขับรถเนถ้าเรายังขึ้นทางด่วนไม่ได้เราก็ต้องอยู่ข้างล่างไปก่อนก็พยายามหาวิธีขึ้นทางด่วนถ้าไม่มีเงินก็เตรียมหาเงินไว้ไปจ่ายค่าด่าน ถ้าเรายังติดอยู่ทางโน้นเราก็ต้องคอยหาวิธีที่จะกาจัดอุปสรรคที่ขวางเราอันไหนเราทําได้เราก็ทําไปอันไหนที่ยังทําไม่ได้ก็ต้องเหมือนนั่งนั่งรถติดไฟแดงไปก่อนตอนนั้นก็ต้องทาใจใจเย็นๆไปก่อนบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของเราเวลาของเรายังมาไม่ถึงตอนนี้เราก็ทําได้ในขณะที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ก็ทาไปก่อน อยาไปอยากทำในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ถึงแม้มันจะดีมันก็ทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ไม่สบายใจได้แต่ถ้าเรายินดีกับการกระทำที่เราทำได้เราก็มีความสุขในระดับที่เราทำได้อยู่ความทุกข์มันเกิดจากความอยากที่จะทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้คำถามจากคุณแม็กซ์ค่ะระหว่างนั่งสมาธิช่วงที่กำลังสงบนิ่งมีอาการมูบดิงหลายครั้ง แต่ละครั้งของการวูบดิ่งปุ๊บก็จะรู้สึกตัวทันทีพอสงบใหม่ก็จะวูบใหม่วูบ ป, ปุ๊บก็จะรู้สึกตัวทันทีอีกเป็นแบบนี้ตลอดของการนั่งสมาธิอย่างนี้จะมีวิธีแก้ไขไหมคะอันนี้มันวูบแบบหลับมันไม่ได้วูบแบบสมาธิมันแบบสับประงกอันนี้ต้องลุกขึ้นมาเดินลนะนั่งไม่ได้ลนะนั่งไปก็จะเป็นแบบนี้ ฉะนนก็ต้องลุกขึมาเดินจงกรมหรือ ไ, ไปนั่งในที่น่ากลัวไปนั่งในป่าช้านี่รับรองจะไม่วุบนมันจะตื่นตัวขึ้นมาทันทีจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าคะ่ะในขณะที่จิตยังไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิสวดมนต์จิตก็ยังไม่นิ่งอย่างนี้ยังไม่ได้บุญสมาธิก็ไม่ได้ควรจะทําบุญต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็พยายามทําไปเรื่อยๆ ก็สวดไปเรื่อยๆยังสวดน้อยไปไม่ใช่อะไรแล้วเราสวดสักชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่เลยแล้วจิตมันมันจะดื้อ ย, อยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องสงบตัวลงอย่างแน่ น, นอนมากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าสวดแบบขอไปทีสวดให้มันจบจบนี้วันหนึ่งจบแล้วก็เลิก น, นี้ไม่มีวันที่จะสงบได้ันจะสวดต้องอย่างน้อยเกือบชั่วโมงเนะี่ย สมัยที่เราฝึกขาดใหม่ๆนะั้นนั่งสมาธิไม่ได้เราก็สวดมันไปภายในใจสวดมันในขณะอยู่ในท่า น, นั่งสมาธิเนี่ยสวดไปภายในใจสวดพสูตรสติปัฏฐานสตรสวดเป็นภาษาอังกฤษได้ความรู้ด้วยได้ความเข้าใจด้วยได้ความสงบด้วยเอ่าจจะจบในเกือบสี่สิบห้านาทีท่องมันไว้แล้วก็ท่องมันแล้วก็นึกตั้งแต่เริ่มต้นใบสวดไปในใจ อย่างนี้ต้องสวดนานๆถ้าจะใช้การสวดบนเหมือนทังจะได้ผลถ้าสวดแบบหนึ่งหนึ่งรอบฮคทำวัดเช้าหนึ่งรอบวันนี้นี้ไม่มีทางพอแล้วอันนี้ยังยังน้อยไปกำลังไม่พอที่จะทำให้จิตสงบได้ต้องสวดอย่างน้อยเกือบชั่วโมงไปนั่นนะแล้วถ้ามันยังไม่สงบก็สวดมันไปเรื่อยๆเอาเอาชนะมันด้วยการสวดให้ได้เดี๋ยวมันต้องสงบแน่ๆ คำถามจากครูแดงค่ะเราจะทําเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการทําสมาธิของเราจิตของเรามีการ พ, รพัฒนาขึ้นก็สงบมากขึ้นสุขมากขึ้นความทุกใจน้อยลงความวุ่นวายใจน้อยลงความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปความเมตตากรุณามีเพิ่มมากขึ้นธรรมจะมากขึ้นกิเลสคืออาธรรมจะน้อยลง คำถามจากคุณต้นกล้าความรู้สึกพร้อมตายตลอดเวลามองทุกสิ่งเป็นไตร ล, ลักษณ์และศรัทธาในพระรัตนาตายอย่างเหนียวแน่นปฏิบัติทานศีลภาวนาฟังธรรมในทุกๆวันมากน้อยตามโอกาสมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆจากการปฏิบัติถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่หายไปจากใจแสดงว่ามาถูกทางเราใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องไปพิสูจน์เด้มันา จ, จะหลอกเราได้ต้องไปอยู่ที่ปาชาสักคืนนึง ไปอยู่ในป่าคนเดียวทั้งคืนหนึออ่งมันเพราะมันหลอกเราได้มันคิดว่าวิาเลตหายหมดแล้วเดี๋ยวพอเราเผลอมันก็โผล่ขึ้นมาคำถามจากคุณชานน์ รบกวนสอบถามพระอาจารย์ว่าภวะ ต, ตันหาและวิภวะ ต, ตันหาคือการไม่อยากในรูปฌานและการไม่อยากในอรูปฌานอยากทราบว่าทั้งสองนี้เกี่ยวกับความหมายในความอยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีอยากไม่เป็นอย่างไรครับก็อยากมีก็อยากได้ความสุขจากรูปฌานไง รูปประชานมันยังมีรูปพออยากได้ความสุขใจเขารูปประชานก็เหมือนอยากไม่มีไม่อยากมีรูปไม่อยากได้รูปประชาตอยากจะไดอารูปประชานแทนก็อยากไม่มีอยากไม่มีไม่อยากไม่อยากได้รูปประชานอยากได้อารูปประชานแทนก็เป็นวิภวะตัณหาได้รูปประชานแล้วไม่พอใจก็อยากจะไดอารูปประชานก็เกิดวิภวะตัณหาขึ้นมา คำถามจากคุณชานนลอีกข้อหนึ่งคะ่ะถ้าเรายัางเป็นคารวาสแล้วจะเกษียณงานในอนาคตมีความกังวลอย่างเดียวคือเรื่องเจ็บป่วยซึ่งถ้าตอนนี้ยังทํางานอยู่มีความกังวลว่าจะต้องทํางานหนักเท่าไหร่เพื่อให้มีเงินมากพอที่จะรักษาเวลาเราเจ็บป่วยอย่างนี้ต้องใช้ธรรมะอย่างไรสอนใจดีครับก็ ค, คิดถึงเวลาเที่ยวเนี่ยเวลาเที่ยวไม่เครคิดถึงการเจ็บป่วยเลยมีแต่สนุกมีแต่มันอย่างเดียว เวลาคิดถึงความเจ็บปวดก็คิดถึงเวลาเราไปเที่ยวทําไมเราไม่คิดถึงมันอยู่ที่เราคิดเค่นั้นเองความจริงมันเหมือนเดิมคิดไม่คิดเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเหมือนเดิมเจ็บก็รักษามันไปไม่ต้องไปกังวลกับมันเมืองไทยนี่ดีจะตายไปมีสามสิบาทรักษาทุกโรครักษาที่ไหนก็หายก็หายเหมือนกัน่ะตายก็ตายเหมือนกัน่ะรักษาสามหมื่นบาทก็ตายเหมือนกันรักษาสามสิบบาทก็ตายเหมือนกันถ้ามันจะตาย ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันเป็นเรื่องอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้เรามาปฏิบัติทำดีกว่ามาสร้างทรัพย์ภายในดีกว่าแล้วเราจะมีที่พึ่งทางใจที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ไม่กังวลกับเรื่องของร่างกายคาถามจากคนตัดไม้ค่ะผมทำอาหารเอง เป็นประจำพอทานอาหารเสร็จแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามจะพบว่ามีมดตายหลายตัวทุกครั้งวิธีแก้ที่ผมทําคือก่อนทําอาหารจะเอาน้ําลาดพื้นไม่ให้หมดมากินเสร็อาหารตอนล้างถ้วยผมจะมองว่ามีมดตรงไหนก็จะไม่ลาดน้ําตรงนั้นแต่สุดท้ายก็ยังมีมดตายอยู่ดีอันนี้ผมทําผิดศีลหรือเปล่าครับอถ้ามันตายก็ผิ ด, ดสิถ้วเรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วเรายังไปทําอยู่ก็ไปทําที่มันไม่มีมดสิ ห็นไหมแต่ไหนมีมดเราก็อย่าไปล้างตรงนั้นไปล้างตรงที่มันไม่มีมดไปเทน้ำตรงที่ไม่มีมดเทไปใส่กระถางก็ได้ใส่ต้นไม้อะไรไปก็ได้ที่ตรงไหนมีมดเราก็อย่าไปทำตรงนั้นก็แล้วกันแต่ถ้าเราทำโดยที่มองไม่เห็นคิดว่ามันไม่มีอย่างนี้แล้วมารู้ทีหลังว่ามันมนีก็อย่างนี้ก็ไม่บาปเพราะเราไม่มีเจตนา แต่ถ้าเรารูก้ก่อนว่ามันมีแต่ยังขี้เกียจย้ายที่มึงมีก็เรื่องของมึงกูก็ร่างของกูไปอย่างนี้ก็แสดงว่ายังยังบาปได้เพราะยังมีเจตนาคำถามจากคุณนงรักค่ะการฝึกแยกกายออกจากจิตมีแนวทางอย่างไรเจ้าคะก่อนเราจะตายจะฝึกทนความเจ็บปวดได้มากน้อยเพียงไรเจ้าคะสองวิธีเนี่ยวิธีแรกก็คือฝึกแยก จิตกับกายด้วยการเข้าสมาธิเวลาจิตเข้าสมาธิจิตมันก็จะแยกออกจากกายเวลาเข้าสมาธิร่างกายจะปวดตรงไหนจะเจ็บตรงไหนจิตไม่รับรู้หรือรับรู้ก็ไม่เดือดร้อนนะนี่เรียกว่าที่แยกแยกจิตออกจากกายด้วยสมาธิก่อนพอแยกได้ด้วยสมาธิเวลามันกลับมารวมกันเวลาออกจากสมาธิแล้วมันจิตกับกายกลับมารวมกันก็คอยสอนใจด้วยปัญญา ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราอย่าไปวุ่นวายกับมร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ถ้าถ้าช่วยมันได้ก็ช่วยมันไปถ้าช่วยมันไม่ได้ก็ช่างหัวมันนี่คือแยกสองวิธีต้องแยกด้วยสมาธิก่อนแล้วถึงจะมาแยากด้วยปัญญาได้ถ้าไปแยกด้วยปัญญาแล้วมามันจะแยกไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิถ้ายังไม่ได้แยกด้วยด้วยสมาธิ เพราะมันยังติดกันอยู่เหมือนเดิมเราต้องแยกออกจากกันด้วยสมาธิกันแล้วเราเห็นประโยชน์ของการที่แยกใจออกจากร่างกายว่ามันทําให้ใจเบาใจสบายพอเราออกจากสมาธิบาพอมารวมกันพอจิตจะไปยึดไปติดกับร่างกายเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่าไปยึดยึดแล้วจะทุกข์พอไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์นี่คือวิธียากกายก็ยแยกจิตออกจากกันต้องแยกด้วยสมาธิแล้วก็แยกด้วยปัญญา คำถามจากคุณจินครอบค่ะขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําการเข้าอัปปนาสมาธิกับภาพในทีวีที่จอดับครับก็เนี่ยแหละหัดท่องพุทธโธไปเรื่อยตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาไหนว่างก็นั่งหลับตาพุทธโธต่อไป เ, เดี๋ยวมันก็เข้าอัปปนาสมาธิได้หมดแล้วนะหมดแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนนั้นนะพอสําควญแก่เวลา